3. ปัญญัตตวัคหมวดว่าด้วยเรื่องที่ทรงบัญญัติ4 9 9พระตถาคตทรงบัญญัติปาติโมกแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการละทรงบัญญัติปาติโมกขุดเทศละทรงบัญญัติการงดปาติโมกละทรงบัญญัติปวารณา ละทรงบัญญัติการงดปวารณาละทรงบัญญัติตัดนิยกร ร, รมละทรงบัญญัตินิยสกรร ม, ล ะ, รรรมละทรงบัญญัติปะพาชนิยกรรมละทรงบัญญัติปฏิสารนียกรรมละทรงบัญญัติอุคเขปนียกรรมละทรงบัญญัติการให้ปริวาสละ ทรงบัญญัติการชักเข้าหาอาบัติเดิมและทรงบัญญัติการให้มานัดและทรงบัญญัติอับพานและทรงบัญญัติโอสารณียกรรมและทรงบัญญัตินิสารณียกรรมและทรงบัญญัติการอุปสมบทและทรงบัญญัติอปโลกนกรรมและทรงบัญญัติยติกรรม ละทรงบัญญัติยัติทุติยกรรมละทรงบัญญัติยัติจตุถกกรรมละปั ญ, ญัตะวักที่สามจบ